สี่วันนี้ก็ฟังอะไรต่อได้มาเยอะนะครับทั้งสาระแน่นไปหมดนะครับ ขันก็ฟังแล้วมาฟังเรื่องขันสักขันหลังชื่อเอ็มเลี่มาเป็นแบบครูสอนภาษาอังกฤษอาสาสมัครสองปีมาจากแคลิฟอร์เนียคุยกันเรื่องเนี้ยเอมเบลี่บอกว่าอ๋อสำหรับดิฉันแล้วดิฉันประทับใจอ๋อขันขันมากกว่า <laughs> ขัน more interesting ขัน ถามว่าไปเจ อ, อยังไงฉันมาครั้งแรกประเทศไทยไปออกต่างจังหวัดเข้าห้องน้ำนั่งยองๆองันเดอร์สเตแนด์เข้าใจได้แต่ทำธุระเสร็จแล้วฉันมองหา ก, กระดาษไม่มีห้องน้ำไม่มีกระดาษฉันพยายามอ่านป้ายในห้องน้ำมันเป็นคล้ายๆกราฟฟิตี้วาดเป็นรูปอีโรติกชี้ไปทางไหนไม่รู้จะไปเอากระดาษที่ไหน อ่านไม่ออกมอไปก็เห็นแต่คันอยู่อันหนึ่งก็ น, น้ำกอดๆแล้วมีหัวกอ๊อกอยู่หัวกอ๊อกท้องเรื่องฉันก็นังคิดว่าขันเอาไว้ทำอะไร <c oughs> คุณอย่เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะสำหรับชาวต่างชาติเขาเกิดมาไม่เคยได้ใช้ขันแบบเรา เราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเราชินฝรั่งนี่มันนึกไม่ออกมันอาบน้ําแบบชาวเวอร์มันแช่แบบบารสมันไม่ต้องมาเคยมันล้างมันเลื้งอะไรแบบนี้พอมันเจอขันปั๊บมันไปไม่เป็นจริงๆฉันนั่งคิดตั้งนานฉันอยากจะโทรศัพท์ไปหาใครสักคนแต่ว่าช่วงนั้นเพิ่งมาใหม่ใโทรศัพท์ก็ยังไม่มีจะเดินออกไปถามคนว่าล้างยังไงก็กลัวเดี๋ยวหาว่าเสื่อมวัฒนธรรม กลับมานำตรายตรองเอ้ลึกคันนี่จะไม่เกียวเห็นหัวกอกอยู่เป็นไปได้ไหมคนไทยใช่หรือว่าคนไทยไปที่หัวกอกเลยแต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะเป็นกอกท้องเดียวบาดตูดแย่เลย ฉันกับมันนั่งไตรตรองมาคุณคิดดูนะเรื่องนี้นี่มันมันโคตรไทยเลยนะมันไม่มีชาติไหนนะคุณการล้างตูดเนี่ยนะเราอยู่กับมันมาโดยธรรมชาติใช่ัหมแต่เราไม่เคยแยกจังหวะมันเลยว่ามันไม่ใช่การล้างน้ำมาสะาดจังหวะเดียวไม่ใช่นะ ไม่ใช่จัดขันมาแล้วแบบพึกใส่ไม่มีคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากการล้างตูดของคนไทยมันเป็นแบบว่ากึ่งเล็กเก้กึ่งสกาคุณเข้าใจนะมันควบลูกครึ่งอ่ะมันเป็นจังหวะแบบยกป้ายโปะแปะอ่ะเรามาดูภาพช้ากันนะครับตักขันมา ดมตัดขันมายกยกเสร็จแบบช่วงที่น้ำมันจะออกจากขันมาหน่อยยกป้ายโปแปะเพิ่มความเร็วอีกนิดนึงนะครับ เราทำมันอย่างเป็นธรรมชาติจนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวปะนึงบทเพลงที่มีท่วงทำนองสอดคล้องไม่มีช่องว่างไม่ว่าจะจักรระบบแบบหน้ามาหน้าหรือหน้าและหลังแม้นแต่หลังมาหลังเราก็ไม่เคยพลาดไม่มีเหอะเปละอเปรื้อนแต่สำหรับฟังคนหนึ่ง ฟรังตัวเบลอเลยไม่รู้จะทำอะไรกับมันเจอคันแล้วยกโปแปลป้ายไม่เป็นงงเลยเอมิลี่ถือคันมาแล้วแบบถามว่าวันนั้นเอมิลี่ผ่านมาได้ยังไงดิฉันคิดถึงกฎแรงกระแทกกฎฟิสิก์แรงกระแทกฉันก็ทาง้าเยอะๆอัดเข้าไป ฉันพยายามแบบว่าสะบัดก้นรับมาหำมาหำมาหำมาหำมาเลย์ลีหำหำหำหำหำหำหำเสร็จแล้วเยมิลีเละเทแมทแฉเปียกใส่กางเกงเปียกเอาไป้หนึ่งตัวเพื่อนๆนึกว่าขี้แตกลากกางเกง เพื่อนอาสาสมัครชาวไทยวงย้ายเป็นอะไรเอเมิลี่ขี้แตกและไม่ใช่ล่างตัวใช่ใชหลังจากนั้นเลยสอนเอเมิลี่ว่าการใช้ขันมันเป็นนี้จังหวะมันเป็นแบบนี้มันเป็นศิลปะขั้นสูงอ่ะเอเมิลี่ก็เริ่มใช้ขันเป็นหลังจากนั้นเอเมิลี่ก็บอกว่าขันขันธรรมดาเข้าใจขันธรรมดาเข้าใจแต่ขันผูกเชือก หมายความว่ายังไง <laughs> อธิบายให้พระลังฟังหน่อยสิคันผูกเชือกหมายความว่าอย่างไร <laughs> ผมก็บอกว่าการคนขโมยขโมยคัน Oh my God ขโมยคันขโมยไม่ทําอะไรทุกแม่นคนไทยมีคันขโมยคันล้างตูดไปทําอะไร ไปตักน้ํากิน No w a เราไม่รู้จะพูดยังไงอะภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อยากจะที่บายว่ามันไม่ใช่จริงๆอาจจะไม่ใช่ขโมยขันอย่างเดียวแต่ว่าบางทีมันบวกภูมิปัญญาชาวบ้านไปด้วยคืออย่างนี้คุณจําได้ไหมสมัยที่เราเรียนปถมอะเรียนปฐมอะห้องน้ำโรงเรียนเราอะ ที่ห้องน้ำติดกันอะ่ะแต่โรงเรียนอะ่ะทำแท้งอ่านั่นแหละชค้คู่ชายคู่จำได้ไหมผมนั่งอยู่จำได้เลยจำภาพเลยเนะี่เรานั่งอยู่ปั๊บพอกูจะราดป๊บอ่าขันกูเสพ อ, อยู่ห้องนั้นแล้วถ้าห้องนั้นมันมีนม คนนี่มันไม่ชอบหน้าเราแม่งรู้ว่าเราอยากได้แม่งยกขันวางไว้ข้างมันต้องรอมันรอมันลาดก่อนเสร็จปั๊บอ่ะถ้ามันใจดีมันคืนขันแล้วก็วักมาเหมือนแบบปักกระทงอ่ะค่อยมากรณีนี้เชือกผูกขันนอกจากจะป้องกันขโมยแล้วอาจจะหมายถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราผูกไว้ เห็น ไ, ไหมดึงเชือกสาวมาไ่้ออกมาป๊บปั๊บปั๊บใช้เสร็จป๊าฝั่งนู้นจะใช้ก็ดึงออกไปเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเอมเลี่เข้าใจอันเดอร์สแตนแต่เอมเลี่บอกว่าขอคำถามสุดท้ายแล้วขันเจาะรูไม่คงว่ามวยยังไงมึงไปเจอที่ไหนเจอตามวัดบ่อยมากเลยขันเจาะรู <c oughs> กูก็เจอเหมือนกันกูยังไม่เข้าใจเลยเนี่ย เขาบอกป้องกันขโมยขโมยขโมยไปทําอะไรคันจัลรูมันจะได้เอาไปใช้ไม่ได้ไงใช<าย>่ขโมยใช้ไม่ได้แต่คนที่อยู่ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ด้วยก็จริงของมันนะดิฉันไปเจอแล้วดิฉันชายคันธรรมดาเป้แต่พอเจอคันจัลรูตักขึ้นมายังไม่ถึงตูดนาหมดแล้ว เอมิลี่มันต้องแบบว่าเป็นการช่วงชิงจังหวะเร็วมากเว r y quick! Very เว i c k คเอาตูดไปใกล้เลยยกมามาเปิดพยายามหามุมที่มันไม่มีรูด้วยแถมเอานิ้วอุดบางรูไว้อีกเรียมพอยกขึ้นมาถึงนี่จังหวะมาถึงนี่จะอืม้มปากโปะแปะป้ายหําหมดไปไปแต่มือเปล่า เจาะรูทําไมครับมีใครรู้บ้างทําไมขันต้องเจาะรูตามวัดปกติขันพลาสติกมันจะลอยอยู่บนน้ำํำพอน้ําเต็มตุ่มน้ําเต็มไอแทงนะขันมันจะลนน้นํามันจะล้นแทงแล้วขันมันจะลนเขาก็เลยเจาะรูให้ขันมันจมไว้มันจะได้ติดขอบ แค่นั้นแหละแต่ผมไม่ใช่คนคิดผมเร็นคนคิดคิดได้ไงแต่ก็คือขันไม่ตกไม่งั้นขันมันจะตกะก็ไม่มีอะไรพวกเราก็คงเข้าใจดีนะจบแล้วก็จบจบแล้วก็จบพรุ่งนี้เราจะกลับแล้ว เราก็ยอมรับความจริงว่ามันเลี่ยงไม่ได้ออกไปผัสสะพวกนี้มันก็เลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องเจอแต่ทีนี้เราจะอยู่กับมันยังไงจะแฮนเดิลมันได้ยังไงใจหนึ่งก็รักการปฏิบัติอีกใจหนึ่งมันก็เลี่ยงไม่ได้ผัสสะพวกนี้มันก็ต้องกระทบมาจะบอกว่าไม่ขำก็ไม่ใช่ก็ขำ สภาพขำไม่ขำมันเป็นเริ่มมาตั้งแต่ของเก่าที่มันสั่งสมมาไม่ใช่มาแกล้งขำหรือแกล้งไม่ให้ขำแต่จบปั๊บมันต้องฝึกว่าถ้ามันเห็นอย่างนี้มากๆมันจะเห็นว่ามันโด่งขึ้นมาเฉพาะช่วงที่กระทบแล้วก็หายไปทันทีพอมันจบอีกไม่นานเนี่ยจะจะเข้าใจเลยว่าถ้ามันแค่นี้แค่นี้เนี่ยบ่อยๆครั้งก็มันมีประโยชน์ ไปเสียเวลากระชากมันขึ้นกระชากมันลงเปล่าๆพอเริ่มคุ้นกับอุเบกขามันจะไม่ชอบให้กระชากแบบนี้เมื่อก่อนไปตีค่าเป็นความสุขพอหลังจากนี้มันไม่ตีค่าเมื่อเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับของทุกข์และสุขเนี่ยมันเริ่มไม่ตีค่าละมันเป็นแค่ของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเมื่อมันเห็นของที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันจะเห็นเรื่องของเกิดขึ้นดับไปเป็นทุกข์ ของเกิดขึ้นดับไปเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจเคลื่อนไหวหลังจากนั้นอะไรที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบนี้เขาจะค่อยๆละต้นมันเพราะงันการภาวนาเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าไปถอดถอนถ้าภาวนาได้อย่างถูกต้องนะครับถึงวันนั้นไม่ต้องบอกว่าหลายคนเลยนะครับก็บอกว่ามันยังห่วงหาอาวร์ยังไม่สามารถเลิอกอย่างนี้ได้อะมันก็ไม่ใช่ว่า มันจะเป็นอกุศลอะไรนักหนาอะไรเงี้ยก็ก็เข้าใจครับทำไมจะไม่เข้าใจก็อยู่ในโลกก็เข้าใจเพยงต้องใช้ปัญญาค่อยๆถอดถอนเองนะครับแต่ก็ชี้ทางให้เพื่อการถอดถอนที่เร็วขึ้นอย่างเงี้ยจบครับมันทำให้รู้สึกเหมือนเมื่อกี้ไม่เปิดก็ได้เพราะสุดท้ายก็กลับมาที่อุเบกขาเมื่อกี้ไม่มีก็ได้อย่างงี้ยังสงบกว่ายังสุขกว่ายางเงี้ยมันต้องเห็นอย่างเงี้ย ต้องให้รู้สึกว่าคุ้นกับอุเบกขาทําไมก่อนแรกๆเราไม่ใช่อย่างนี้เพราะเราคุ้นกับฝั่งเคลื่อนไหววันนี้โดนวันนี้เรามาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมแล้วก็โดนหยุดหยุดหยุดยุ ด, ย ด, ยดตลอดให้จิตเนี่ยตั้งมั่นตั้งมั่นโดนให้จิตตั้งมั่นตลอดจะดูคลิปก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เดี๋ยวอ่าโดนจิ้มอยู่ล้โดนจิ้มอยูล้มันไม่ใช่ดูเพื่อไหลมันดูเพื่อตั้งมั่นดูเพื่อให้เกิดความเห็นความจริง อย่างนี้แหละต่อไปมันก็หลอกไม่ได้ะทางเข้ากับทางออกเป็นทางเดียวกันเมื่อก่อนเราโดนทางเดียววันเวเลยสิ่งพวกนี้มันก็เล่นเราวันเวเลยคือเอาเราไปตามที่มันต้องการเลยแต่วันนี้เราใช้อาวุธของคู่ต่อสู้เนี่ยมาหันกลับมาแล้วก็กลายเป็นทางออกของเราหันกลับไปทิ้มเขาเองเนจอมยุทธ นะครับรักจะเป็นจอมยุทธก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์ผมถึงบอกว่าในเมื่อท่านทั้งหลายก็ออกไม่ได้พลากไม่ได้ที่จะเป็นแบบไปอยู่ในวิเวกออกไปจริงๆเป็นเวลานานๆก็ต้องใช้สนามต่อสู้ในชีวิตประจำวันต้องใช้การบริหารภายใต้ข้อจำกัด นักบริหารจะเก่งไม่เก่งไม่ได้ดูว่าใครผูบริหารได้สุดเยอะยิ่งข้อจํากัดมากทรัพยากรน้อยแต่ต้องทํางานใหญ่ไอ้ยังไงเก่งผู้แปร์รคนที่เก่งบริษัทก็มีเงินนิดเดียวทรัพยากรก็มีนิดเดียวแต่ต้องทําให้ถึงเป้าหมายให้ได้อย่างเราเนี่ยข้อจำกัดเยอะสั่งยอ์เยอะอะไรไปเต็มไปหมดเครื่องร้อยลัดก็เยอะแต่มีวิธี ก็ต้องใช้อาวุธคู่ต่อสู้นี่แหละทิ่มคู่ต่อสู้ค่อยบ้างอาวุธเรามีจํากัดก็เอาอาวุธของคู่ต่อสู้นั่นแหละจอมยุทธเก่งๆก็เดินตัวเปล่าอาวุธอยู่ไหนก็อาวุธอยู่ที่คู่ต่อสู้ไไปแต่กายกระใจไปแต่ใจเอาอาวุธที่คู่ต่อสู้นั่นแหละมันใช้อาวุธอะไรมาก็ทิ้มกลับ ไปเยี่ยมสวนยินดีกันหน่อย สุราธานีนะครับใครสนใจจะสมัครปฏิบัติก็เข้าไปที่เว็บไซต์สวนยินดีนะครับก็มีข่าวสารมีข้อคิดมีธรรมะสั้นๆเล็กๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนกันได้สงสัยคำถามอยากจะถามคำถามผมก็เข้าไปที่เว็บมันก็จะมีช่วงมีช่องถามตอบ ที่อยู่แถวข้างๆคลิกแล้วก็ถามได้เลยเมลก็จะวิ่งเข้ามาที่เครื่องผมเนี่ยผมตอบผมก็ตอบจากตรงเนี้ยเพราะผมไม่ได้อยู่ไม่อยู่เป็นที่นะครับก็ใช้ตอบเอาอยู่ที่ไหนก็ตอบใหนะ้ส่วนใหญ่ก็ตอบให้ทันทีแหละในวันที่สง่งนอกจากไม่อยู่จริงๆนะส่วนตารางคอร์สปฏิบัติก็สามารถดูได้นะครับใครสนใจจะปฏิบัติ แม้แต่ในหลักสูตรของผมที่บรรยายที่ยุพุทธก็จะมีขึ้นที่สวน ย, ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าอ๋อช่วงนี้อยู่ที่ยุพุทธศูนย์หนึ่งแล้วก็ประธานโครงการอย่างคุณกระปองอย่างเงี้ยก็จัดโค้ต้าไว้ให้สวน ย, ยินดีเพราะฉะนั้นคนที่สมัครจากสวน ย, ยินดีก็สามารถนํารายชื่อเขาก็เอาลายชื่อมาลิงก์กับทางยุพุทธได้เลย หลายคนก็อาจจะไม่ถนัดที่จะสมัครที่นี่หรือวา่าที่นี่สมัครยากมากก็คนบ่นว่าที่สมัครยากมากยกเว้นคอสนี้ <c oughs> ซึ่งคนไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็คนก็บ่นกันว่าโ อ, โ, อโอ้สมัครยากอยู่พุทธก็เข้าไปสมัครทางส่วนยินดีก็ได้แล้วเดี๋ยวเา่าดึงโคต้ามานะครับเขาก็เอามาให้แล้วก็มาถึงนี่ก็มาทําตามขั้นตอนก็เหมือนหลายคนก็มาจากส่วนยินดีเว็บนะครสับสมัครมาจากเว็บ ส่วนการเข้าสมัครก็ง่ายๆนะครับสมัครออนไลน์ได้เลยท่านกรอกกรอกกอกเสร็จปั๊บนะครับก็จบขั้นตอนรายชื่อก็ขึ้นในแต่ละคอร์สเลยหลังจากนั้นจองตัวเครื่องบินรถไฟรถทัวร์อะไรเสร็จแล้วก็แจ้งการเดินทางอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไปขึ้นที่รายงานของการเดินทางก็จะมีคนไปรับท่านที่สนามบินรถไฟรถทัวร์อะไรก็แล้วแต่ที่ท่านแจ้งมาว่า มาไฟไหนเวลาเท่าไหร่กี่โมงรถก็ไปรับนะก็ไม่ยากอะไรรัไ่ไง ตอนนี้กำลังสร้างสถานที่ปิกปิกวิเวกอยู่นะครับก็คือสวนยินดีทาราก็ห่างออกไปจากสวนยินดีธรรมหน่อยแต่เป็นสถานที่คือติดทะเลคุณแม่ยินดีซื้ อ, อไว้เพื่อจะให้เป็นที่ปริกวิเวกสําหรับนักภาวนา ก็คงไม่เปลอเพลินมา ที่เดิมเป็นร้านอาหารเก่าแล้วเขาขายนะครับบรรยากาศต้มรื่นนี่เป็นเวลาบ่ายสองโมงสอนติแดดร้อนมากแต่บริเวณที่บินสงบร่มด้านหลังเป็นเขาภายดำหลังเขาหน้าทะเล มีบริเวณถนอนอาณาเกตของที่สุดต่งเครื่องเครื่องกว้านหรือหลังที่ติดถนน เรียกร้อยที่ถอยรอดต้นนุ่ริ้ใน้อยกว่าสองร้อยีบ้าหลังนี้ติดอที่ วันที่ย2สสองตกลงกันจบเรียบร้อยนาะคาแดล้านบาทก็คงจะเริ่มก่อสร้างปลายเดือนมีนานครับสร้างเป็นที่ปฏิบัติไม่ปริกวิเวกกัน อันนี้ของพระนะของพวกเราหลังเล็กกว่า น, นี้นะ ก็จะแจ้งข่าวทางสวนยินดีนะครับก็มีผู้ใจบุญร่วมบริจาคมาคุณหน่อยเดี๋ยวขอชื่อที่อยู่ด้วยนะจะออกใบอนุโมทนาใหนะ้บริจาคมาแสนหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาด้วยเดี๋ยวสร้างเสร็จแล้วก็จะส่งบัตรเชิญไปเดี๋ยวคุณแม่ยินดีมานะมา มากับหลวงพ่อมาก็อันนะครับก็เรามาดูเดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วเนี่ย ให้ดูเว็บสวย ด, ดีนะตอนนี้เปลี่ยนอะไรอันนี้คือหน้าเว็บสวย ด, ดีนะครับเวลาท่านเข้าไปสมมติว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> อตอนนี้มีโปรแกรมนะครับที่ จัดกันก็คืออักราใช่ไหมอชันตาอารอ า, ราชมทัชมาวาอะไรเขาเนี่ยนะครับใครจะไปก็เชิญนะ บ, บางคนก็บอกว่าอยู่ในคอร์สไม่ค่อยได้คุยกับผมเลยก็ไปอย่างเงี้ยนะครับไปเดินคุยกันไปเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกจะเหลืออีกเจ็ดที่มั้งเห็นเ็าบอก เดี๋ยวสุปกิจมาใครสนใจก็เชิญพราะปกติเห็นก็ว่าห้าหมือนกว่าแค่มันสี่มืนกว่าเพราะภายในก็บินนํากันก็ไปก็ไม่ได้ตไปเที่ยวทีเดียวหรอกนะครับก็ไปก็มันเหมือนกับเปิดคอร์สนะ่ะกลางคืนก็สวดมนต์ฟังธรรมแบบเนี้ย บางวันก็อาศัยสถานที่หอธรรมคือประเทศอินเดียก็ไปเจอความจริงเหมือนอย่างเนี้ยที่ผมบอกว่าสาระก็อยู่ในอาสาระนั่นแหละเมื่อกี้คุณดูก็เห็นสาระในตัวเองธรรมะก็อยู่ในาบางทีก็อยู่ในความที่ไม่มีสาระเนี่แหละพอเห็นเออดูมันไม่มีสใครบอกอะเห็นธรรมะเพียบเลยที่อยู่ข้างในเห็นอะไรต่ออะไรแย ะ, แ, ยะแยะเลยแต่พออยู่ตรงนี้บางทีไม่เห็นแต่พอดนกระตุกอย่างขันเมื่อกี้เนะี่ย ขันของพี่โน้ตเมื่อกี้เนี่ยเห็นธรรมะเพียบเลยข้างในนนี่ยังดีว่าเราดูอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าออกไปดูคนเดียวมันกล้า จ, จะไหลกว่านี้แต่นี่อยู่ดูอยู่ด้วยกันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างข้างในโอ้พอจบพักมีคนจี้เลยมันก็ดับเลยหรือเห็นหน้าผมมันก็ไหลไม่ออกนีมันก็ดับไปเลยคือรู้แล้วเดี๋ยวโดนแง่เลยหยุดดีกว่าเนียพอปิดก็จบเลยเนี่ยมันก็เลยจบไปเองอะไร ก็สวดมนต์ฟังธรรมไปตามสถานที่ต่างๆอย่างเท่นถ้ำอาจันต้าเนี่ยซึ่งกาลังจะปิดปรับปรุงอีกหลายปีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เป็นมรดกโลกแล้วก็จะปรับปรุงใหม่ก็คงปิดไปอีกหลายปีถ้าใครจะไปหลังจากนี้ก็คงอินเดียก็ปิดแล้วไม่ให้เข้าละหมายถึงถ้ำนะถ้ำอาจันต้าจะปิดเดือนเมษาน้าทริปนี้ก็แทบจะเป็นทริปท้ายๆแล้วแล้วก็จะปิด เข้าไปนะครับไปภาวนากันบ้างไปอะไรกันบ้างเดินคุยกันบ้างใครที่ไม่เคยฟังธรรมในสตาบักก็ลองดูนะครับข้าวก่อนไปถึงพว ก, ก, ก, กจานจานเชิญเชิญไตมสตาบักเลยมีแต่พวกเราหมดเลยนะ <S <S แล้วก็เปิดบรรยายกันในสตาบลักมาเลยก็ใช้ทุกทุกที่ให้เป็นประโยชน์นะ อันนี้สำหรับคนที่จะเห็นว่าหลักสูตรต่างๆอย่างผมไปบรรยายเนี่ยพอบรรยายจบถ้าผมมี MP3 สาผมก็จะอัพโหลดขึ้นไปมันก็สามารถเลือกแล้วก็อัพโหลดได้เลยเข้าเครื่องที่บ้านอยากจะฟังเนี่ย้ามาจากสาธยายถ้าครั้งนี้อัดไม่ทันกลับไปก็ก็ไปดาวน์โหลดเองก็ได้ ไม่เปิดใคร อ, อ๋อเห้อซ ok ึ่งรู้เดี๋ยวให้เปลี่ยนแปลงใหม่น่ะเขาคิดมุมมองนะครับเจ้ากรรมนายเวรเกิดใครก็นั่งอ่านว่างผมก็จะเขียนลงไปนะ แล้วนั่งอ่านไปเรื่อยๆเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นข้อคิดสั้นๆบางคนอยู่ที่ออฟฟิศรู้สึกห่างวัดห่างวาก็เข้าเว็บแล้วก็นั่งอ่านธรรมะโอ้มันก็เกิดบางทีบางเรื่องมันก็โดนขึ้นมามันก็กลับมาตื่นได้เหมือนกันหลายคนก็เขียนกลับมาพูดคุยทั้งเมืองไทยเมืองนอกก็เขียนกลับมากันทีนี้พดูตารางปฏิบัติอยากจะดูว่าช่วงไหนมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็น ปฏิทินเดอนถึงเดินไม่คลายโครงการนี้ก็คือธรรมะนิเวศเนี่ยก็อยู่เนี่ยสิบปดถึงยิบสองก็อยู่ในตารางจากนี้ก็มีที่สุราษฎร์บ้างอะไรบ้างก็มีทีนี้อย่างโครงการเนี้ยเปิดทิ้งไว้แปดสิบอย่างในเว็บส่วนนี้ดีสมัครมาสนะี่สิบหกทัางนี้ก็เอาชื่อเข้ามาให้นะบรรยายที่เชียงใหม่วันที่เท่าไหร่บรรยายที่เชียงใหม่ ผู้บริหารหอกันค้าอะไรเงี้ยอ่าจะมีคอสเข้มอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่สิบสามถึงสิบเจ็ดกุมภาปฏิบัติกลางทะเลนะครับเขาเรียกขนํ้มทางสุราษฎร์เขาเรียกขนํ้มมันจะเป็นที่พักอยู่กลางทะเลเลยนะต้องนั่งเรือออกไปก็ไปปฏิบัติกันที่นู่นไปดูซิว่าเต่าตาบอดร้อยปีขึ้นมาหายใจนะมันอยู่กลางทะเล จะจะขึ้นมาหัวเสียบขบอกไหมตอนนี้สมัครมาสามสิบสามคนี้ท่านเนี่ยคอร์สอะไรก็มีมีทั้งนั้นเล m w d c นี่ก็ของโพุทธก็มีใครจะสมัครก็เชิญนะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันเองอวิธีการก็ง่ายๆสมมติว่าจะสมัครคอร์สนี้ก็คลิกที่รายละเอียดมันก็จะบอกหมดนะครับว่า คอสเป็นยังไงอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งส่วนยินดีเนี่ยเราจะไม่ค่อยรบกวนเจ้าภาพหลักเพราะว่าเข้าใจนะครับของเจ้าภาพทีหนึ่งแสนสองแสเนี่ยก็เกรงใจเพราะนผู้ปฏิบัติก็แชร์แชร์กันร่วมกันเป็นเจ้าภาพลงขันกันนะพูดง่ายๆลงขันกันสองพันบาทสามพันบาทนะไม่ต้องรบกวนเจ้าภาพรายใหญ่ๆก็เห็นใจแหละทุกคนนะ หลายหลแสนก็ไม่ไหวอโอเคครับก็พอได้ข้อมูลเผื่อสนใจจะปฏิบัติ Tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still. s t i l o o much that time.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 ล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าชั้นนั้นวัยของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราริบรี่แล้วเราจกละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลาย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 บางครั้งเราก็เผลอเพลินไปหน่อยลืมไปว่าเดี๋ยวก็ตายเหมืนอนกันอะะช่วงนี้พอมีเวลาเหลือเราผมบรรยายมาสี่วันแล้วไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครถามอะไรเลยนอกจากมาทถ า, ถามกันบ้างแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็มักจะให้ฟังให้จบก่อนนะครับหลายครั้งหลายคนก็บอกว่าไอ้ที่สงสัยวันแรกๆส่วนใหญ่ก็ได้คำตอบไปแล้วในระหว่างทาง แต่หากใครยังไม่ได้คําตอบอยากจะถามอะไรก็เชิญนะครับยังมีเวลาเพราะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพ่อเบรกก็เลยอีกช่วงหนึ่งสั้นๆแล้วพวกเราก็ไปพักละอีกทีหนึ่งก็สวดมนต์จบก็หลวงพ่อมาขึ้นเลยพรุ่งนี้เช้าก็หลวงพ่อนะครับผมก็เข้าสู่พิธีปิดเลยก็แทบจะใกล้จะหมดวาระของผมแล้วนะครับใครสงสัยอะไรก็เชิญถามได้เลย ไม่งั้นต้องไปรอถามในเว็บนะอะ่ยกมือได้เลยครับมีไหครับอาเชิญครับมันยากก็ต้องคนแรกนี่นละครับความมือนถามได้อยากถามเลยก็ถามค่ะอาจารย์คือหนูอยากถามว่า ระหว่างคืนปะหนูปีในเมืองจีนมาคนจีนเนี่ยทำแท้งเป็นเรื่องปกติมากค่ะคือหนูมีคำถามว่าระหว่างผู้หญิงที่ถูกคุมขืนแล้วโดนทาไปต้องไปทำแท้งกับคนที่ทำแท้งปกติเนี่ยค่ะอย่างไหนบาปกว่ากันคะทำแท้งปกติคือคือเหมือนกับตั้งใจจะไปทำตั้งใจจะไปทำอะค่ะก็คือไม่ไม่พร้อมจะมีก็เลยตั้งใจไปทำใช่ค่ะกับอีกคนนึงถูกขมขืนแล้วก็หมอเอาออกเอง ก็ชัดเจนเนยนะครับตัวเจตานาก็ชัดเจนอยู่แล้วคือการทําแท้งยังไงก็เป็นปานาธิบาตอยู่แล้วไม่ว่าจะสังคมจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสิ่งนี้คือปาณาธิบาตแน่นอนอีก50ปีต่อให้ออกกฎหมายมารองรับว่าการทําแท้งถูกกฎหมายก็ยังเป็นปาณาธิบาตเหมือนเดิมไม่มีทางที่จะเลี่ยงปาณาธิบาตไปได้แต่สําหรับการกรณีที่ถูกข่มขืนแล้วก็เอาลูกออกเนี่ยมันคนละกรณีกันละเพราะไม่มีเจตานามาตั้งแต่ต้นจนจบเลย นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนั้นขอบคุณค่ะมีใครอีกไหมคะยกมือนะคะทางโน้นอีกไม้ทางนี้ไม้ก็ได้ทั้งนี้สองตัว <c oughs> ลบ ก็ควรถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอินทรีห้ากับพระห้านะครับว่าแตกต่างกันตรงไหนนะครับอินทรีย์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนั่นเดี๋ยวขออนุ ญ, ญาตเดี๋ยวผมเปิดให้ดู อ, อีกคนหนึงคำถามเลยครับ อ, อ, อาจารย์ะคะอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ ตตัดสรูด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วเพิอพอดีเคยไปอ่านนิทานนะคะว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยเหมือนทําเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนข้ามไป <c oughs> คือจริงก็รู้สึกว่าแสดงว่า พ, พระพุทธเจ้าก็ต้องเคยเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อน <c oughs> ก็ต้องเคย <c oughs> ได้ฟังธรรมะหรือเปล่าคะ <c oughs> ใช่ครับแล้วหมายความว่ายังไงคะคือท่านตัดสรูชอบได้โดยพระองค์เองถ้าท่านเคยฟังธรรมะมาก่อน อ๋อคือในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเป็นสาวก ค, คือไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดิบัณเพราะการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือที่เขาใช้คาว่าหวังพุทธภูมิเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปเป็นสาวกใครได้นะทีนี้อย่าง พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระโคดมเนี่ยในตอนที่พระพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือท่านพระธีบังกรเนี่ยนะครับคือตอนนั้นพระธีบังกรสเสด็จไปกับหมู่สาวกแล้วถนนตรงนั้นสร้างไม่เสร็จชาวเมืองกําลังพยายามเร่งสร้างแต่ไม่เสร็จสุมเมศดาบทในวันนั้นก็จึงตัดสินใจเอาตัวเนี่ยทาบลงไปที่พื้นแฉะเพื่อให้พระพุทธเจ้าเหยียบข้ามไปเท่าท่านจะได้ไม่เปื้อน หลังจากนั้นสุมเมตดาบทก็รู้สึกเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าวันนั้นจึงตั้งจิตอธิษฐานหวังที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วก็ได้พุทธพยากรณ์ก็จึงเกิดมาเป็นวันนี้ก็ใช้เวลาสั่งสมยาวนานทีเดียวนะครับสี่สมคายแสนมหากรพอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยก็มีการไปเจอกัน แต่ว่าในยุคในชาตินั้นเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะเคยบวชก็มีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าพระศีีอริยเมตไตรที่จะตัดสรู้องค์ต่อไปเนี่ยก็ไปบวชกับพระพุทธเจ้าชื่อว่าอาชิตะพระอาชิตะซึ่งเป็นพระที่พระนางประชาบดีไปถวายผ้านะก็บวชแต่ไม่บรรลุเคยฟังธรรมแต่ไม่บรรลุ แล้วก็ทำนั้นก็คือเป็นการสั่งสมบา ร, รมีมากกว่านะเคยพบกันพระพุทธเจ้าก็เคยพบกันพระเจ้าองค์ที่เป็นปัจจุบันอยู่ก็จะรู้ว่าองค์นี้มาบาเพ็ญบา ร, รมีต่อแต่ทำยังไงก็ไม่บรรลุแล้วบรรลุไม่ได้ถ้าเข้าสู่ความเป็นสุดาบานันก็จะต้องถึงความเป็นพระลัหารมัก็จบเลยไม่ได้อนาคตก็จะไม่เป็นพระพุทธเจ้านล้วนะขอบคุณค่ะ ขอถามว่าในเวลากลางคืนนะค ะ, ะครับค่ะแล้วก็มันก็จะมีอาการรู้อยู่ตลอดทั้งคืนเลยก็เลยไม่ได้หลับเนี่ยะจะวางตรงนี้ลงไปยังไงค ะ, ะบางทีมันก็มีอำนาจของเขาอยู่นะคือเหมือนเวลาเราออกจากฌานก็เขาเรียกอำนาจของฌานคือจิตมันยังทรงฌานอยู่ทีนี้การเจริญสมาธิ ที่เรามีเจตนาเข้าไปเจริญมากๆเนี่ยถึงแม้เราหยุดแล้วเนี่ยมันยังมีกำลังมันก็เหมือนผลักรถเ่ยรถมันยังมีกำลังอยู่นะก็เป็นไปได้ก็เกิดดับนะนะสิ่งพุทีิก็เกิดดับเดี๋ยวหมดกำลังก็จบทีนี้แล้วอนาคตคนที่มีสติไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเหรอบอกมันไม่ใช่หรอกตอนนั้นพอถึงตอนนั้นมันจะไม่ได้มีเจตนาในการพุชแรงแบบนี้ อันนี้เวลาเราออกไปสมมติว่าดูดูที่มือผมเนี่ยนะแล้วดูที่จอเนี่ยนะเวลาเราอยู่ในชีวิตประจําวันเราจะหลงนะะพอมาปฏิบัติเราก็มารู้ตัวพอเผลอปุ๊บเราก็จะหลงอย่างนี้นะนึกออกนะครับพอเราเข้ามาในคอร์สเราก็เกิดเจตนาที่จะมารู้ตัวแต่ถ้าท่านทําไปสม่ําเสมอเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งอะไรก็แล้วแต่นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้ ไม่รู้แต่ไม่หลงไม่รู้แต่ไม่หลงหมดเจตนาสติสัมปยุตตลอดโดยไม่ต้องมีเจตนาทาอะไรจะบอกไม่มีสติมันกั้มกึกคาเนี้ยเหมือนตอนที่คนหมดเจตนาจะเป็นเครื่องเว้นในการถือศีลจะบอกว่าเขาไม่มีศีลเลยความจริงก็ใช่เพราะเขาหมดเจตนาแล้วแต่เขาพลิกเป็นคำว่ามีศีลบริบูรณ์ถูกไหมเพราะมันไม่ทาผิดแล้ว เพราะความจริงคาว่าศีลเนี่ยมันเป็นเจตนาเป็นเครื่องเวน้นแต่ถ้าหมดเจตนาเป็นเครื่องเว้นแล้วล่ะแทนที่จะบอกว่าไม่มีศีลมันก็ยิ้ฟังพิ่กลนเข้าไปใหญ่ก็เลยบอกว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์ถ้าจะวงเล็บคือโดยไม่ต้องถือสติบริบูรณ์โดยไม่ต้องถื อ, อ, ถอนะก็มีเทวดาถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าทูลถามท่านว่า ท่านข้ามพ่วงมหันโนบแห่งกิเลสนี้ได้ยังไงนะี่ะโอเคแห่งกิเลสท่านก็ตอบว่าตถาคตไม่พักแล้วก็ไม่เพียรก็อย่างนี้เราก็ฟังไม่ออกไม่พักแล้วไม่เพียรยังไงก็ไม่พักนะแต่ก็ไม่เพียรอยู่ตรงนี้พอพระนนได้พบความจริง เดินจงกรมทั้งคืนเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นพิธีสังคายนา499พระอรหันต์มานั่งรอแล้วนะครับจะทําสังคายนาครั้งที่หนึ่งแต่พระรนนทยังเป็นพระโสดาบันอยู่เลยผมว่าก็กดดันเนี่ยนะถ้าคืนนี้ใครเป็นโสดาบันอยู่แล้วก็พรุ่งนี้ต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้คือมันไม่ใช่ว่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยถูกไหมแล้วพระอรหันต์มานั่งรอ ก, กันทั้ง499ปักธงแล้วจะสังคายนาแล้วรอพระนนท์งเดียวเนี้ยนะ จะทำไงก็ต้องทาความเพียรจนหมดแรงอ่ะพอหมดแรงก็ไม่ไหวแล้วตอนนั้นที่ลงมาถึงปกติก็คือปั๊บมาสปาร์กตรงนี้ตรงนี้โลกุตละมักจะชำระได้ก็คือตอนที่หมดเจตนานะครับฉนั้นตอนที่เรารู้สึกตัวนี่เป็นการฝึกอย่าสับสนนะเดีย๋ยวไม่ฝึกขึ้นมาอีกเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเราจะกลับมาที่นี่ แต่พอเราทำเราจะเกินมาที่นี่ตรงเนี้ยที่มันเล่นเอาล่อเอาเถิดกันละน่ะนะไม่หลงแต่ไม่รู้ไม่หลงแต่ไม่รู้พอรู้พบมานี่เลยเอ๊ะตรงนี้ใช่อหมเขาไปรู้พบเด้งมานี่อีกมันเหมือนเอาล่อเอาเถิดมันต้องปล่อยแล้วพอดีจริงจริงถึงจะ เกิดอะไรขึ้นก็ดูจากพระนนก็นแล้วกันดูจากพระนนที่ว่าอยู่ในอียิปบ์ที่จะว่านั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่เชิงเอียงเอียงตัวจะลงพักพอดเนี่ยแล้วก็สปาร์กตรงนั้นพอดีเพราะเป็นจังหวะที่ไม่พักแล้วก็ไม่เพียนเหมือนถ้าผมเอาซีดีไปตั้งผมบอกว่าไม่ขายแต่ไม่แจกจะทำอะไรก็ทำไม่ขายแต่ไม่แจก โยคียบอกอาจารย์เก่งจริงทำให้ผมเชื่อเย่ยกฎแห่งกรรมมีผมไม่สนแต่ผมก็ไม่ทิ้งผมไม่สนเพราะผมไม่รู้จักใครสักคนแต่ผมไม่เคยทิ้งเลยเนี่ยมันอยู่อย่างนี้มันเป็นอาการที่อย่างสภาพอนัตตาเนี่ยคนนึกว่าอยู่ตรงข้ามกับอัตตาเปล่าพอเรามีอัตตา เราก็นึกว่าอนัตตาอยู่นี่เปล่าอนัตตาอยู่นี่อีกอันนึงเป็นอีกแบบนึนอีกอันนึงเป็นว่างเป็นเอ็ม i ิเนสแต่ไม่ใช่อนัตตาอนัตตาคือมีในไม่มีไม่มีในมีจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่เชิญคุณหมอครับ ค่ะเมื่อสองวันก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องการให้ค่าค่ะซึ่งมันเป็นอย่างนี้กันเยอะทีนี้จริงๆเราสามารถทำอะไรดีๆได้โดยที่เราไม่ต้องให้ค่ามันว่าดีแลวอย่างเงี้ยทีนี้ในวงจรปฏิจจะเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันคือพบหรือว่ามันคืออุปทานแล้วก็อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องพบกับชาติเพราะว่า ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณนะคะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราสามารถจะเอามาดูเพื่อแยกให้เห็นว่ามันเป็นศักแต่ว่าขันเนี่ยแต่ว่าเราจะมองวิญญาณในมุมไหนได้บ้างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่รู้การดับของวิญญาณอะไรทํานองนี้คืออยากให้พูด อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงอค่ะคือตอนที่เราใช้วิญญาณเข้ามาดูนามรูปเนี่ยคือดูในขันต่างๆนะสมมุติว่าเรานั่งสมาธิเราวิญญาณก็ดูอยู่ที่ลมใช่ไหมครับแล้วเสียดเดอมันก็เผลอไปคิดอันนี้ก็เป็นธรรมดาพอเผลอไปคิดพปั๊บวิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่ที่สังขารพอเรามีสติเราลึกว่าเผลอไปมันก็กลับมาุลมอีกจังหวะเนียที่วิญญาณดับสังขารดับแล้ววิญญาณเกิด ลมเกิดพอทำไปอย่างนี้แรกๆยังไม่สังเกตเห็นแต่ด้วยความที่มันดับอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยวันไหนที่ตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นเองเพราะว่าวิธีการที่หลายคนทำก็คือใช้ผู้รู้ไปดูขันตั้งผู้รู้ขึ้นมาเลยนะครับเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเหมือนกันแต่ทีนี้มันแข็งแรงขึ้น หลายคนก็ใช้วิธีตั้งผู้รู้ไปรู้รู้รู้โกรธรู้ดูจิตอะไรเงี้ยนะครับรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยไอ้อย่างเงี้ยยากเพราะว่าจะรู้สึกว่าวิญญาณเนี้ยสืบเนื่องไม่ยอมดับนด้หอเปล่าไหมครับอเป็นรู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พอโกรธก็เป็นรู้โกรธมันจะรู้สึกเหมือนวิญญาณเนี้ยเดินไปทั่วเลยเหมือนไฟฉายที่ไม่ปิดอ่ะเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเหมือนไฟฉายไม่ปิด เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่วิญญาณจะเข้าใจตัวเองได้เลยว่าตัวเองเกิดดับไม่มีทางเลยเพราะว่าตัวเองมันสืบเนื่องไปเรื่อยๆวันนึงเข้าใจเพื่อนหมดกลายเป็นไฟฉายนี่ไม่เคยดับแต่ว่าวิธีที่พระเจ้าใช้การละอกุศลแล้วก็ท่านจะบอกไว้เสมอในะอีกพระสูตรหนึ่งคือการกระจายขันออกคว่างทิ้งไม่ไม่ถือเอาไม่ก่อเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันเกิดสิ่งนี้กํามันคิดอยู่ครับ ท่าให้ขวางขันทิ้งให้มันกระจายแล้วให้ขันมาเริ่มต้นใหม่อย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้ยวันหนึ่งที่จิตตั้งมั่นมันจะเห็นเองว่าวิญญาณก็ดับเพราะวิญญาณต้องมาทำหน้าที่แบบนี้นะครับในการที่เราใช้วิญญาณดูแบบนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามาในชั้นหลังนะครับเป็นคําสอนในชั้นหลังทีนี้พอเป็นคําสอนที่เป็นชั้นหลังขึ้นมาเนี่ยจะเกิด ไซด์เอฟเฟกทันทีคือต้องทำลายผู้รู้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าใช้วิธีอย่างที่ผู้เจ้าตรัสเราจะเห็นวิ ญ, ญญาณเกิดดับตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเมื่อตั้งมั่นไม่ต้องห่วงครับรู้เองรู้เองเลยมันจะเห็นขันสี่ขันไปกอดขันสี่ขันเห็นง่ายแต่วิญญาณก็อย่าลืมว่ามันก็ดับดับเกิดเกิดเหมือนกันนะถ้าวิธีของผู้เจ้าเนี่ยมันดับดับเกิดเกิดเหมือนกัน มันจะผ่านช่วงนั้นไปได้เร็วขึ้นนะครับไม่งั้นก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวอีกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าอแล้วคำถามอะไรอีกนะพบกับชาติเดเดี๋ยวกับการให้ค่าความจริงการให้ค่าเนี่ยนะครับไม่ความเป็นจริงเนี่ยอย่างสมมติว่าตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่า รถคนอื่นชนท้ายสำหรับผมเองผมก็บอกว่าเราเบรกทันเขาเบรกไม่ทันแต่ความเป็นจริงมีกฎหมายดูแลให้อยู่แล้วนะใช่ผมก็รู้ว่าเขาผิดทำไมผมจะไม่รู้แต่ว่าเราไม่ได้ไปยึดอะไรมากมายถ้าเราจะเอาเราก็สามารถฟ้องร้องได้ไม่มีปัญหาแต่เราก็ไม่ได้ยึดขึ้นมาให้ค่าอะไรกันมากมายเพื่อจะให้มันเกิดทุกข์ถ้าในกรณีที่สมมติว่ามี ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ชนผมเกิดเป็นรถเบนซ์ชนผมอย่างเงี้ยผมก็ต้องลงไปคุยอะครับบอกเออก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายกันก็ใช้ไปแต่ที่ผมไม่เอาเรื่องเพราะผมเบรกทนันเขาเบรกไม่ทนันเพราะว่าเขาเป็นแค่คนขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่อยากจะไปเอาเงินอะไรของเขาแค่นั้นเองผมซ่อมรถผมได้ผมก็ซ่อมไปก็ถือว่าช่วยเหลือกันไปไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆการให้ค่าเนี่ยมันอยู่ที่สังขารสังขารข้างบน สังขารการปรุงแต่งมันเกิดเป็นการให้ค่าขึ้นมาทีนี้พบกับชาติเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวอีกทีนึงแล้วกันนะเดี๋ยวต้องเปิดวงจรเมื่อกี้มีคําถามเรื่องอินทรีห้าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพระอริยบุคคลมีหลายระดับเพราะอินทรีย์ยิ่งหย่อนกว่ากันอ่าเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้รู้จักคําว่าอินทรีย์ก่อนแล้วกันภิกษุทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายห้าประการเหล่านี้มีอยู่ หประการอย่างไรเล่า5ประการคือสัตทินรีวิริยินรีสัตทินรีสมาทินรีปัญญินรีจะเห็นว่าอินทรีห้าก็คือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะครับเมื่อกี้ที่ใครถามทีนี้คําว่าพละห้าเนี่ยตัวเดิมนะครับแต่ว่าทรงพลังขึ้น ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีอินทรีย์ห้าเนี่ยอย่างคู่กันเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ครูบาอาจารย์เอามาใช้ปรับอินทรีย์เนี่ยท่านก็จะใช้สมาธิกับวิริยะคู่หนึ่งทําไมสมาธิกับวิริยะจึงเป็นคู่หนึ่งก็เพราะว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิมากวิริยะมันจะน้อย เราเดินจงกรมมากวิริยะจะมากสมาธิจะน้อยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาสองส่วนนี้ผสมกันให้ได้ส่วนผสมที่พอเหมาะพอสมเนี่ยมันจะเกิดความสมดุลใครจะเป็นคนจัดการให้สมดุลสติสติจะเป็นคนวัดว่าบางครั้งนั่งสมาธิมากไปมันก็กลายเป็นซึมๆ ม, มันได้สมาธิก็จริงแต่มันซึมๆมมันขาดวิริยะความเพียรที่ แต่บางคนเดิ น, นเดินหน่อยก็ขี้เกียจแล้โอ้ขี้เกียจเดินนั่งดีกว่าอย่างเงี้ยมันก็เลยขาดวิริยะนั้นก็ต้องเอามาเป็นส่วนผสมที่พอดีพดีส่วนอีกคู่หนึ่งก็คือปัญญากับศรัทธาถ้าปัญญามากศรัทธาจะน้อยถ้าศรัทธามากปัญญาจะน้อยหมายความว่ายังไงท่านลองสังเกตดูอเเรื่องโลกโลกแล้วกันศรัทธากับความรักเนี่ยเหมือนกันมากเลยถ้าท่านรักใคร ท่านจะตามบอดถ้ายิ่งรักมากยิ่งมองไม่เห็นข้อผิดเลยแต่ถ้ารักน้อยก็คือเห็นไอ้นูนไอ้นีเพียบทีนี้ในทางกลับกันก็เหมือนกันถ้าท่านศรัท ธ, ธาใครมากเกินไปนะหมายถึงตัวตนนะ่ะนะปัญญาก็จะน้อยก็เหมือนกันแต่ถ้าปัญญามากรู้มากกูเก่งไปหมดนะก็ไม่ค่อยสัท ธ, ธาอะไรใครเพราะกูเก่งหมดแล้วกูรู้หมด ก็ปรับให้มันพอดีพอดีศรัทธามากไปปัญญาก็น้อยปัญญามากไปศรัทธาก็น้อยก็เป็นผกผันกันอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้ใครเป็นเครื่องดึงก็ใช้สติเป็นเครื่องดึงทีนี้พอทั้งหมดสมดุลกันแล้วเนี่ยทั้งสี่ตัวเนี่ยโดยมีสติเป็นคนดูแลเนี่ยจังหวะที่ท่านนั่งสมาธิไปเรื่อยๆหรือว่าทําความเพียรไปเรื่อยๆท่านจะพบเองว่าเมื่อทุกอย่างเข้าสู่สมดุล กำลังของมันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกําลังกําลังกําลังทุกอย่างจะค่อยๆเพิ่มขึ้นที่เขาเรียกจากอินทรีย์เป็นพละเหมือนเดิมเนี่ยแต่มันเพิ่มกําลังขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะแล้วก็สมาธิก็เป็นปสัสสธิจากพาระก็เป็นโพชฌงก็เริ่มเปลี่ยนอะไรต่ออะไรนะกําลังของก็จะเพิ่มขึ้นเองนะก็คงเอาแค่นี้แหะเพราะถ้าเปิดของพระเจ้าทั้งหมดจะไปเรื่องของ ไปทางอริยบุคคลท่านก็บอกว่าอินทรีย์ของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครเท่ากันเลยที่สั่งสมมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยพระนาคามีเองเนี่ยอินทรีย์ก็ไม่เท่ากันบางคนบางองค์ก็ไปแบบนึงก็มีอายุอย่างจะเห็นบนสุดเนี่ยอายุไม่ถึงกึ่งหนึ่งสมมติว่าสมม ต, มมติมีอายุหนึ่งแสนปีอย่างเงี้ยแต่ไปได้สองสามมื่นปีปรินิพานละจบละ คือพระนาคามเมียไปเกิดอยู่ที่เดียวก็คือสุทาวาตพรมสมมติว่าใครวันบำเพ็ญเพียรชาตินี้จนถึงพระนาคามีแล้วไม่ถึงพระราหารันเกิดเสียชีวิตไปก่อนท่านเกิดแบบแน่นอนมีพบภูมิที่แน่นอนคือสุทาวาตพรมเมื่ออยู่บนสุทาวาตพรมสมมุติว่ามีอายุหนึ่งแสนปีนนสมมตินะจริงๆคงนานกว่า น, นั้นอีกมากหนึ่งแสปี ผู้เจ้าตรัสว่าอนาคามีอายุไม่ถึงกึ่งปรินิพานละสงสัห ม, มื่นปีปรินิพานละจบละเป็นพระราหันแล้วก็สบายละแต่ถ้าแบบที่สองจวนจะสิ้นอายุถึงจะปรินิพานนี่ก็แสดงว่าอินทรีย์อ่อนลงเอกนิดนึงต้องบำเพ็ญเพียรอีกนานทีเดียวเนะี่เกือบหมดอายุนะ่เจดหมื่น้ามอะไรก็ว่าไปแล้วก็ปรินิพานอนาคามีที่ปรินิพานโดยง่าย อันนี้ก็เป็นอสังขาระก็เป็นอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ค่อยปรุงแต่งอนาคามีที่ต้องใช้ความเพียรมากนะ ส, ะสังขาระส่วนอีกแบบหนึ่งซึ่งท่านก็ชี้แจงไว้อย่างละเอียดจนมาถึงอะพอพ้นจากอนาคามีลงมาก็เป็นสกัตถาคามีซึ่งปกติเราสังเกตไหมว่าเวลาเราได้ยินเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าพระโสดาบันหรือไม่กระโดดเป็นผ้าอาหารหันเลยตรงกลางๆไม่ค่อยมีใครพูดถึง เพราะถือว่าพอพ้นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมันเหมือนที่พระเจ้าตรัส่าเหมือนกับท่อนไม้ที่ตกลงแล้วก็ไม่ติดอะไรแล้วยังไงก็ต้องออกทะเลตรงกลางๆเลยไม่ค่อยมีใครพูดถึงพระนาคามีนี่ก็แทบจะไม่รู้จักแล้วมีแบบไหนบ้างพระสกทธาคามีนี่ก็แทบจะถูกลืมไปเลยเพราะว่าไ ม, ไม่มีการพูดถึงพูดถึงไม่โสดาบันก็พระลราหันไปเลยอย่างพระสกทธาคามีเนี่ยก็คือ ก็คือพระโสดาบันที่ชัมลักิเลสได้เบาบางมากๆแล้วนะครับเป็นสกทาคามีซึ่งถ้ายังอยู่เป็นมนุษย์แล้วก็ตายไปก็ไปเกิดอีกครั้งหนึ่งในเทวโลกก็คือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็บรุธรรมเป็นพระราหันในภูมิของเทวดาเลยสกทาคามียก็จะนั้นต่างกับพระนาคามีก็คือพระนาคามีไปอยู่บนสุทาวาสพงศ์แล้วก็ไปปรินิพานที่สุทาวาส ส่วนสกทธาคามีบรลุธรรมที่เทวโลกส่วนพระโสดาบันก็ลองมาดูเริ่มต้นตั้งแต่เอกัชีเป็นโสดาบันที่ต้องกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวในกาลมาภพคําว่าในกามาภพก็คือมนุษย์กับเทวดาเพราะผมไม่มีกามเพราะฉะนั้นโสดาบันแบบเอกับพชีเนี่ยพวกนี้จะเป็นพวกที่มีปัญญามากในระดับของพระโสดาบันนะครับมีปัญญามากมีสติเฉียบคมคือระดับต้นของพระโสดาบัน พวกนี้ไวมากมีปัญญาที่เฉียบแหลมมีสติที่เกิดอะไรขึ้นตะตึกเนี่ยชระได้อย่างรวดเร็วพวกนี้กลับมาเกิดอีกครั้งเดียวโกลังโกระเป็นพระสวัสดาิบาลที่ต้องกลับมาเกิดอีกสองสาครั้งในสุกติภูมิก็สุกติภูมิทั้งบรรด์ทั้งนั้นแหละพอปิดอบายกันหมดแล้วนะครับแล้วก็สัตตะขัตตุปรม a ก็เป็นพระโวัสดาิบาลที่อย่างประมาทไม่มีชาติที่แปดก็คือต้องเกิดอีกเจ็ดชาติ ส่วนใหญ่ก็ยังมีราคะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีราคะเยอะคือถึงแม้ว่าจะเป็นพระโสดาบันเองเนี่ยแต่ว่าก็ยังพระโสดาบันยังไม่ได้ละกิเลส ท, ทั้งสามตัวเลยนะครับยังไม่มีการละเลยเนะีเพียงแต่ละกิเลสในโลภะโทสะในตัวที่ถ้าพูดกันง่ายๆคือประเภทอยากได้อะไรแล้วต้องได้เนี่ยไม่มีเพราะถ้าอยากได้อะไร ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องได้ตรงนี้เป็นตัญหาเลยถ้ามีตันหาปับ๊บลากลงเป็นเปรตเลยแต่ในพระโสดาบันปิดอใบยภูมิจะไม่มีตัญหาตัวนี้คืออยากยังไงก็แค่ อ, อยากได้นะถ้ามีโอกาสซื้อได้ก็ซื้อถ้าซื้อไม่ได้ไม่มีหยหาเลยเพราะไม่มีตันหาก็ไม่มีอุปท า, านก็เลือกจะไปก็ไปมีโอกาสซื้อได้ก็ซื้อเพราะต้องใช้ถ้าจะใช้ก็ซื้อ ไม่ใช้ก็ไม่ไ ม, มีปัญหาได้ก็ไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ปิดอบายโทสะก็เหมือนกันพระโสดาบันยังมีโกรธมีโกรธอยู่ข้างในเพราะว่าด้วยความที่จิตก็ยังไม่ได้ถอดถอนอุปาทานในขันธ์แล้วก็ อ, กอย่างหนึง่งโทสะก็ไม่ได้ถูกชำระแต่เบาบางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นความโกรธระดับที่จะทําให้กลายเป็นเป็นสัตว์นรกไม่มีไม่มีในพระโสดาบันแทบจะดูไม่ออกต่อให้พระโสดาบันโกรธก็ดูไม่ออก เพราะว่าเป็นความขุ่นอยู่ภายในเฉยๆเพียงแต่ท่านเห็นล่ะก็จัดการกันไปเรื่อยๆระหว่างการเดินทางเนี่ยจนกระทั่งเบาบางเบาบางเบาบางเบาบางเบาบา ง, เบาบางถึงจุดนึงก็เป็นพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีก็ยังไม่ได้ละ ก, กิเลสตัวไหนสักตัวนึงเหมือนกันโลภะโทสะโมหะยังอยู่แต่เบาบางมากพวกนี้ทําอะไรแทบไม่ได้เลย จนกระทั่งเริ่มละได้เต็มตอนเป็นพระนาคามีก็ละโลภะกับโทสะได้หลังจากนั้นก็ละสังโยชน์ต่อไปอีกหตัวก็เป็นพระราหารันส่วนใหญ่อยู่ในระดับละเอียดทั้งนั้นเลยอยู่ในระดับจิตอรูปประชานรูปประรูปประชานารูปประชานมานะคาว่ามานะก็คือไม่ได้ถึงกับปวดดีถือตัวเหมือนคนทั่วไปในพระนาคามีอาจจะเหลือแค่ว่าสมมติว่าคําสอนของตัวเองมีใครมาเฮ้ยมีจริงหรอกพูดอะไรไม่เป็นตรงความจริงเลย พระนาคมียังรู้สึกยังมีมา n ะตัวนี้อยู่ซึ่งพอรู้สึกปั๊บท่านจะรู้แล้วยังขยับก็จะชาระต่อไปชำระต่อไปจนกระทั่งถึงอวิชชาตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายในอวิชชาจบแล้วก็จบกันเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นที่ถามคืออินทรีย์คือตัวนี้พละก็คือตัวนี้ครับแต่เพิ่มกำลังขึ้นเมื่อถึงเวลามันจะเพิ่มกำลังขึ้น ใครที่บางทีนั่งสมาธิอยู่ในคอสเข้มๆวิเวกวิเวกมากๆเนี่ยจะรู้สึกจะรู้สึกเลยแหะผมบอกให้จะรู้สึกเลยว่ากําลังหูเพิ่มขึ้นมากเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบรู้เองเน่ยก็ไม่ดีกรีมันเพิ่มขึ้นทุกตัวเลยเพิ่มยกระดับขึ้นหมดเลยรู้สึกจะปิดในชาติที่ยังไม่ประมาท ธรรมานุสาวรีกับสัทธานุสารียเนี่ยยังเข้าไปไม่ถึงแต่ว่าตรงเนี้ยที่ผมไม่ค่อยกล้าตอบแต่อันนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ต่ำลงมากว่าพระโสดาบันแต่ผมไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยสองคำเนี้ยกลายเป็นประเภทของพระโสดาบันไปผมก็เลยไม่กล้าที่จะเอามาพูดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าดูตามนี้ก็เป็นผู้ที่แล่นอยู่ในธรรมอยู่ใน ผมไม่รู้ว่าจะเรียกพวกเราได้ไหมนะไม่รู้ว่าจะเรียกได้ไหมย่อยง อ, อ๋อผมเคยได้ยินแล้ว แต่ตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องนี้ที่ไม่กล้ายกขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมันมีมันมีคำถามที่ผมก็ถูกถามบ่อยเหมือนกันแต่ก็พยายามเลี่ยงโยนไปพ้นๆไปคือในมักมีองแปดเนี่ยไม่มีข้อสุรามันเลยทําท่าเหมือนจะเปิดช่องไง ทีนี้ในสีข้อที่เป็นศีลเนี่ยมันเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่สุลาเนี่ยมันไม่เชิงแล้วถ้ามันไม่มากถึงจุดเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ได้ทําอะไรแล้วถ้าเรามาดูเจตนาเป็นเครื่องเวนเนี่ยเพราะว่าแจระข้อในศีลเนี่ยเราจะเห็นคําว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นแต่สุลาเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเหมือนอาหารที่ โดยไม่มีเจตนาก็ได้มันเป็นระดับลึกลงไปในระดับจิตทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่อยู่ในหมวดที่อยู่ในเจตนาเป็นเครื่องเว้นเนี่ยแต่ก็ถ้าพุูนจริงก็พยายามปัดเข้าไปเพราะว่าคนพอดื่มแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะหยุดมันยากแล้วมันเกิดมีกรณีอย่างที่หมอพูดเนี่ยมีผู้ที่ดื่มตลอดแล้วเกิดตายแล้วเป็นพระโสดาบันซึ่งพระเจ้ายืนยันอย่างนี้ เป็นกษัตริย์ที่ดื่มสุราทุกวันแล้วก็ตายแล้วเป็นพระโสดาบันฉะนั้นแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างผู้เจ้าต้องเห็นท่านถึงไม่ใส่เข้าไปแต่ว่าพวกเราเนี่ยกันคนเลี่ยงบาลีก็ต้องเลี่ยงเลยนะ<ม>ไม่งั้นดื่มได้เท่าไหร่หนึ่งองคุนลีฟ้าองก็สิองค์ลุลีนะดื่มก็เป็นแบนเลยอย่างเงี้ยก็พต้องบอก คือถ้ามันผิดข้อนึงมันผิดหมดอ่ะเอาจริงๆก็เลยต้องเรี่ยงไปเลยไม่อยากจะไปลงไประดับจงระดับจิตไม่อธิบายทั้งนั้นแหละทําให้มันง่ายเข้าจบไปเลยดีกว่านะเพราะว่าคนก็สงสัยอยู่เรื่อยๆอย่างสมมุติว่าเราพระอย่างที่ผมบอกว่าพระสุ บ, บริยเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะบุหรี่มันกลายเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับในสมัยก่อนเนะี้ย ในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะมีการโปรโมทเนี่ยมันถึงเป็นบัญญัติไงในยุคสมัยหนึ่งทุกคนยอมรับอีกยุคสมัยหนึ่งก็ยุคสมัยนึงก็ประเค้นพลาด ก, กัน อ, อุตะลุดหมดพอมายุคสมัยนี้ก็ไม่ประเค้แล้วอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบัญญตัติแต่ถ้าเรามาดูความจริงมันแบบเปิดเปิดใจนะอย่าไปเอาอย่าไปเอาเรื่องอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องสังขารว่าปรุงแต่งหรือบัญญัติเนี่ยจนกระทั่ ง, งจนกระทั่งสมมติว่าบุหรี่มันกลายเป็นเหมือนอาหาร อย่างหนึ่งเหมือนหมากอะพระเคี้ยวหมากอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งมีคนบอกว่าเอ๊ยบุหรี่ผิดทำไมท่านยังอย่างเงี้ยถ้าท่านดื่มน้ำทานข้าวกินข้าวเหนียวหรือว่าอะไรแล้วท่านมีอันนี้ด้วยเนี่ยจนมันเป็นปกติจนไม่ต้องมีเจตนามันก็เลยไม่เกี่ยวแต่ถ้ามีโทษต่อร่างกายหมอบอกท่านจะเลิกอะไรนะ้องอีกเรื่องนึง มันเป็นระดับที่ยากจะทำความเข้าใจนะครับมันเลยไปเยอ ะ, อะเดี๋ยวเรื่องพบกับชาติเดี๋ยวมาอีกช่วงหนึ่งเลยละกันเพราะว่านี่สามโมงครึ่งแล้วท่านจะได้ไปคลองน้ำก่อนสองชั่วโมงกว่าเชิญครับกล่าวพระแล้วไ ป, ไป เ๋วเรามานั่งสมาธิร่วมกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะไปกันละมาทำกุศลร่วมกันนั่งกันสักยี่สิบนาทีนะครับนั่งด้วยกันรวมพลังเป็นกำลังใจให้กันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาทบทวนเกี่ยวกับมัก เกี่ยวกับปฏิจจะอะรนิดหน่อยคืนนี้เผื่อหลวงพ่อพูดไปถึงจะได้นึกภาพออกใครมาแล้วก็นั่งสมาธิเลยนะครับนั่งกันสัก2ี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะ้เดี๋ยวผมบอก <c oughs> สำคัญที่สุดก็กำลังนี่แหละนะอะไรอะไรก็เข้าใจแล้วทั้งนั้น ทำยังไงเพื่อไม่ให้ตกไปในร่องที่รู้หมดแต่อดไม่ได้นะครับจะอดได้ใจก็ต้องเข้มแข็งหน่อยจิตใจต้องเข้มแข็งหน่อยจะได้รู้หมดอดได้นะก็ได้เป็นได้ประโยชน์ไม่สร้างบาปไม่สร้างอกุศลภูมก็จะดีเอง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้ออยากเกร็งเพ่งบังคับบางครั้งเราไม่รู้ตัวพอเราตั้งใจจะทำอะไรให้ดีเนี่ยมันก็เลยเกินเจตนาก็เยอะความตั้งใจก็สูงมันก็เลยไปเกร็งเพ่งบังคับไปเราคล า, คลายลงหน่อยนะครับค ล, คลายกล้ามเนื้อลงให้รู้สึกผ่อนคลา ย, ายสบายๆนะครับเราก็รู้แล้วว่าความสุข ความสุขเป็นปัใจจัยให้เกิดเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นจะให้เกิดสมาธิก็ต้องมีความสุขนำมีความพอใจที่จะทำเห็นประโยชน์ที่จะทำแล้วก็มีความสุขทำแล้วมีความสุขใจก็จะค่อยๆสงบลงสมาธิตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้น มีแต่ได้ไม่มีเสียนะครับมีกำลังยิ่งดียิ่งดีขึ้นไปอีกเมื่อเอากำลังมาใช้ให้ถูกเป็นปัญญาปัญญาอะไรเริ่มจากเห็นการเกิดดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับสังขารเกิดสังขารดับ รูปเกิดรูปดับเสียงเกิดหูเกิดโสตะวิญญาณเกิดทันทีได้ยินเสียงผมเนี่ยเสียงเกิดหูเกิด วิญญาณเกิดแปลค่าพอจบนี้เสียงดับหูดับแทนที่วิญญาณจะดับไม่ดับมันยังปรุงตอบเป็นสังขารอีกสังขารปรุงเอาวิญญาณขึ้นมาอีกฝึกที่จะดับให้จิตกลับมารู้ลมไว้ อยู่กับลมไว้ใช้ลมหายใจเป็นมิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ลมหายใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารูปที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ใช่ก็เป็นธรรมชาติของเขาอย่าเอามาเป็นของเรา ผู้รู้ที่ไปรู้ลมที่ไปรู้ลกูกนั่นก็ไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติธรรมชาติหนึ่งอย่าไปแบกอย่าไปหามอย่าเอามาเป็นภาระเขาทำงานเขาได้ไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไร สังคุรครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาทวนทวนกันนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่มรรคมีองค์แปปฏิจจาเพราะนั้นเราจะสวดตรงนี้นิดหน่อยครับจะได้เป็นการทวน ที่กมากรหนทางนี้แหละเป็นหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์แปดเยยาที่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะ ววการเลี้ยงชีวิตช่อธรรมาวาญาณวัความภาคเพียนช่อธรรมสติสตความระลึกช่อธรรมสมาธิความตั้งใจมั่นช่อก็จําให้ได้ทั้ง8องค์นะครับว่าบาลีว่าอย่างไงแล้วก็แปลเป็นไทยว่าอย่างไง ในข้อย่อยของแต่ละข้อสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริยสัจนะครับก็ให้รู้ขึ้นมาความดําริชอบดําริอะไรดําริในการในขมมะเอาจักกามไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนนะก็จำให้ได้อย่างนี้นะครับพยายามนึกถึงข้อย่อยให้ออกสัมมาวาจาไม่พูดคําเท็จไม่พูด สอดเสียดไม่พูดเพิร์เจอไม่พูดคําหยาบนะครับก็เน่ยพยายามนึกสัมมาคัมมันโตก็เป็นศีลข้อ123สัมมาชีโวก็อันนี้ก็เรี่องชีวิตที่ชอบสัมมาวยามโมเพียรอะไรบ้างเพียรรักษานะครับคือไม่ให้อกุศลเกิดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ละเสียกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้งอกงามไปบูนอย่างนี้ก็เป็นความเพียรชอบ สัมมาสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะครับพิจารณาอยู่เนืองเนืองมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกก็คือถอนความยึดถือในจิตในขันออกนะครับสัมมาสมาธิก็ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจะรู้รายละเอียดหรือไม่รู้ก็จะใช้การปฏิบัติเข้าไปเลยก็ได้นะครับก็เดินทางไป ทีนี้ในมรรคมีองค์แถ้าเรามาสรุปก็คือแบ่งเป็นปัญญาศีลสมาธิข้อ1ข้อ2ก็เป็นปัญญานะครับ 3-4-5 หก็เป็นศีลนะ3ข้อหลังก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของสมาธิ ในข้อปัญญาก็ใช้จัดการกับกิเลสข้อของศีลใช้จัดการดูแลกายกับวาจาสมาธิก็เข้าไปจัดการกับใจนะครับเข้าไปจัดการกับจิตจิตที่ถูกสั่งสมมามันเป็นอกุศลก็ต้องละออกละออกก็สกรีนเหลือแต่กุศลจกนกระทั่งเห็นว่าไม่ว่าจะ ก, กุศลหรืออกุศลก็รวนเกิดเกิดดับดับไม่มีตัวตนว่างจากตัวตนทั้งนั้น จะเห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจมั่นชอบในสัมมาสมาธิก็รวมกันเป็นกำลังรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็จะสนับสนุนกลับมาผลักดันให้เกิดเป็นปัญญาในสมาทิฏฐิเอาละทีนี้เราก็มาถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทหม่อครับสัมมารกรมตะาการทำการงานชอบเป็น ศีลข้อที่หนึ่งสองสามสัมมาอาชีวะมันเป็นภาพรวมในการใช้ชีวิตซึ่งสัมมารจริงๆก็คือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้นะครับเป็นพระส่วนพวกเราเป็นคารวาสก็เว้นจากอาชีพต้องห้ามนะคุณตกงานแล้วคุณมอถามก็ <c oughs> มีอาชีพตกงานอยู่ครับเอ ปฏิจจเดี๋ยวเราสวดปฏิจจในบทที่เราสวดเมื่อคืนนะครับ อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวินญาณวินญาณปัจจานาณมารุปังนามารูปปัจจยาสลายตนาณังสลายตนณปัจจะญาภาโสภาสปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจะญาตันหาตันหาปัจจญาอุปาทานัง อุปาทานาปาจัยาพวะพวปาจัยยาชาติชาติปาจัยยาชรามรณงโสกปริเทวทุกขโทมานัสสุปาญาสาสัมภวันติเอวเมตสเกวรัตสัทุขขันธัสสะสมุทโยโหติอันนี้ก็เป็นสายเกิดนะครับ อวิชาปัจจยาสังขาราก็เป็นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งความโศกความขำครวนทุกโทมนาตความคับแค้นใจก็มีพร้อมการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งพวงนี้จึงมีด้วยประการราชนี้ก็เริ่มต้นมาจากอาวิชามีอวิชาก็มีทุกอย่างเลยทีนี้มาสายดับ อวิชายตาเววนาเสสวิราคานิโรธาสังคารนิโรโทสังคารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรโทนามรูปานิโรธาสลายตานิโรโทสลายตานิโรธาภาสานิโรโทภาสานิโรธาเวทนานิ นิโรธเวทนานิโรธาตันหานิโรโธตันหานิโรธาอุปาทานนิโรธอุปาทานนิโรธาภาวณิโรธภาวณิโรธาชาตินิโรโธชาตินิโรธาจรามรณังโสกบปริเทวทุกขโทมนาสุปายาสานิโรชันติเอวเมตส เกวราตสุขขันธานิโรธโหตีพออวิชชาดับมันก็ดับลงมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําว่าวิ ญ, ญญาณดับถ้าที่พรุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณดับคือที่สุดแห่งทุกข์หลายคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะวิญญาณดับมันยังไม่สุดเลยนี่ทําไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่สุดแห่งทุกข์ถ้าวิญญาณดับมันแปลว่าสังขารดับ สังขารดับแปลว่าอภิชาดับในช่วงนั้นมันก็ดับตอนที่วิญญาณดับไอ้พวกนี้มันก็ดับแต่มันอยู่ที่ดับตลอดหรือเปล่าถ้าดับตลอดก็เป็นพระอรหันต์ถ้ายังไม่ดับตลอดดับเป็นช่วงๆตอนนั้นก็ไม่มีทุกข์เหมือนกันเพราะวิญญาณดับแล้วก็เป็นนิพพานช่วงสั้นๆในระหว่างการเดินทางเอาละปฏิจจสมุปบาทก็กลับมาดูรูปหน่อยนะครับจะได้ เกิดท่านพูดถึงตรงไหนนะครับอย่างสลายตนะคืออะไรก็มีภายนอกกับภายในภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมรมณ์นะครับภายในก็ตาหูจมูกลิ้นไก่ใจก็มากระทบกันพอกระทบกันก็จะมีวิญญาณมาแปลค่าแล้วแปลค่าป๊บกลายเป็นผัสสะเลย เราก็ได้เห็นตัวอย่างได้ทดได้ไ ด, ได้ฝึกฝนการปฏิบัติจนพอได้แล้วล่ะที่เหลือก็คือไปปฏิบัติเองนะครับปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจะไม่เห็นอะไรชัดเจนอย่าห่วงนะครับ mm. เห็นเป็นคู่ๆก็พอแล้วในการปฏิบัติจริง mm. ผัสสะกระทบเกิดเวทนาความพอใจไม่พอใจปุ๊บแค่นี้แหละเห็นเป็นคู่เดี๋ยวๆก็เกิดเวลาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานโอ้เกิดเวทนา ไอ้ที่เห็นง่ายสุดเวทนากับตัณหาเนี่ยมันมาทันตรงนี้แหละตอนกระทบไม่ค่อยทันอะทันตอนพอชอบปั๊บอยากเลยอยากได้เลยนถึงตรงเนี้ยพออยากได้ปั๊บอพอจะเดินหนีนี่เดินไม่ออกเลยเห็นมันยึดนโอ้ตัณหาแล้วก็อุปาทานเลยทีนี้ก็ต้องรู้ทันมันบ้างรู้ทันมันบ้างทีนี้ระหว่างพบกับชาติเนี่ยต้องดูว่าปฏิจสมุบาทเนี่ย คือใช้อธิบายได้ครอบคลุมมากนะครับต้องยอมรับว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใช้ครอบคลุมมากถ้าเอากันระดับจิตจริงๆเลยเนี่ยคือเมื่อเกิดความเป็นตัวกูเนี่ยป๊ขึ้นมาเนี่ยชาติเกิดเลยเนะเพราะจริงๆมันสามารถสร้างภพชาติได้ทันทีคือพบกับชาติจึงต่อกันแบบพบเลยพบมันคล้ายๆกับคนท้องเปาคล้าเปาชาติปุ๊บคลอดเลย ถ้าใช้อธิบายอย่างเช่นในภาพที่เป็นรู ป, ปรธรรมสมมติรีเบคก้าเดินเข้าไปในร้านเกิดอุปาทานในภาพบันคอสีเขียวตอนนั้นพบของรีเบคก้าเนี่ยเป็นเปรด่ะก็คือภาพบันคอสีเขียวเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการคิดเกิดสังคารปรุงแต่งเกิดเป็นพบ พอซื้อปั๊บเกิดเป็นชาติอย่างนี้ก็ใช้อธิบายในส่วนของรู ป, ปรธรรมนะหรือว่าถ้าตอนนั้นพบของรีเบคก้าคือเปรตพอตายปั๊บเป็นเปรตจริงเลยอย่างนี้ชาติก็เกิดเลยแต่ว่าในส่วนของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะใช้อธิบายง่ายตรงที่สุดก็คือเรื่องของตัวกูของกูคือระดับการกระทบของจิตในแต่ละวินาทีปุ๊บในแต่ละขณะนะจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่เราดูสามารถแปอธิบายถึงชาติแรกได้ด้วยตั้งแต่การก่อร่างสร้างนามรูปก็มีก็ได้แต่ในทางตรงนี้เราใช้ดูกันเป็นขณะเลยขณะของการหมุนเลยนะครับพบก็เหมือนสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะเตรียมให้เกิดต้นต้นไม้โตขึ้นมาเป็นเนื้อนาเป็นเหตุปัจจัยอุณหภูมิที่ พร้อมที่จะให้ชาติเกิดต่อกันนิดเดียวเลยตรงนี้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะกินเวลามากเดี๋ยวพวกเราจะต้องไปเบรกแล้วลงพ่อเข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องจัดสถานที่อีกแล้วทางเดี๋ยวฟังข้อมูลจากคุณกระป๋อมนิดหนึ่งนะครับเชิญครับ